มนุษย์ควรได้สุขทั้งในและเหนือโลกเราจะต้องคิดกันต่อไปจะต้องพิจารณากันต่อไปข้างหน้าว่ามนุษย์ควรจะได้อะไรอีกบ้างถ้าพูดกันอย่างง่ายๆเราก็จะแบ่งเป็นว่าเป็นการได้อย่างได้สิ่งของดังที่มีอยู่ในโลกนี้อย่างหนึ่งได้ของที่อยู่เหนือโลกอีกอย่างหนึ่ง ได้ของที่อยู่ในโลกก็คือได้อย่างวัตถุดังที่กล่าวมาแล้วเป็นทรัพย์เป็นยศเป็นไมตรีรวมความแล้วก็เพื่อความสุขทั้งร่างกายได้ของที่อยู่เหนือโลกก็หมายถึงว่าอยู่เหนือวิสัยชาวโลกเหนือจิตใจที่เป็นอย่างโลกโลกนี้ก็ได้แก่การที่ได้เกิดมีความรู้สึกที่ปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงปรากฏขึ้นในใจ ถ้าพูดอย่างภาษาวัดก็เรียกอย่างแรกว่าความสุขอย่างบ้า น, านๆเรือนเรๆอย่างหลังนี้เรียกว่าความสุขอย่างที่เหนือไปจากเรื่องบ้านเรือนหลองจำไว้อย่างนี้ก็แล้วกันที่นี้มันมีปัญหาว่าความสุขที่เหนือไปจากเรื่องบ้านเรือนนี้จําเป็นแก่พวกเราไ้ยนักศึกษาอาจจะคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าเรามีความสุขอย่างที่เป็นบ้านเรือนครบถ้วนแล้วตามที่เราต้องการถ้าอย่างนั้นจะต้องตอบหรือบอกไว้ทีก่อนว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วธรรมะไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นศา ส, สนาไม่จาเป็นเพราะว่าเรื่องที่จะสแสวงหาอะไรอะไรให้ครบถ้วนอย่างบ้านๆเรือนๆนั้นเราไม่ต้องอาศัยสติปัญญาของพระพุทธเจ้า เราก็มีใครสอนกันอยู่ทุกประเทศในโลกไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เราก็รู้และทำได้ถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะต้องมีทำไมทำไมจึงต้องมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกคำตอบคือมีพุทธศาสนาขึ้นมาอีกก็เพื่อว่าจะให้ได้สิ่งหนึ่งซึ่งคู่กันตรงกันข้ามคือว่าเป็นความสุขชนิดที่ไม่เร่าร้อน